ถ้ารู้หลักที่หลวงพ่อบอกให้นะจะไปช่วยตัวเองได้มันไม่ใช่เรื่องยากอะไรการปฏิบัติการปฏิบัติทำมเพื่อจะเรียนรู้ตัวเองเรียนรู้เราได้อะไรเรียนรู้แล้วันหนึ่งมันจะไม่ทุกข์ความทุกข์จะอยู่แต่ร่างกายความทุกข์เข้าไม่ถึงใจอีกต่อไปชาตินี้อาจจะทำได้ไม่หมดจดถึงขนาด พ้นทุกเด็ดขาดแต่อย่างน้อยความทุกข์ก็ลดลงความทุกข์ก็สั้นลงคนที่ไม่ได้ศึกษาอบรมธรรมะเวลาทุกข์ก็ทุกนานเวลาทุกข์ก็ทุกหนักถ้าได้ศึกษาแล้วทุกสั้นสั้นไม่นานทุกประเดี๋ยวเดียวเองน่าชำนาญมากขึ้นนะทุกช่วงขนาดจิตเท่านั้นเองแวบแวบแวบคิตทีหนึ่งทุกทีหนึ่งคิดทีหนึ่งทุกทีหนึ่ง ความทุกข์ทางใจไม่จะตามหลังความคิดมานี้เราจะไปห้ามใจไม่ให้คิดเนี่ยห้ามไม่ได้บางคนก็สังเกตเห็นว่าความทุกข์ทางใจมันตามหลังความคิดมาเขาพยายามจะไม่คิดจิตมีหน้าที่คิดพยายามจะไม่ให้คิดเนี่ยเข้าใจผิดแล้วเหมือนไฟมีธรรมชาติมันร้อนเราจะให้มันไม่ร้อนเนี่ยทําไม่ได้พระอาทิดย์มันต้องร้อนเราจะให้มันเย็นไม่ได้ จิตมันมีธรรมชาติที่คิดนึกปรุงแต่งตลอดเวลาคิดดีบ้างคิดเลวบ้างในจิต ท, ที่ไม่ได้รับการอบรมนะมันหลงไปตามความคิดของตัวเองคล้ายๆสัตว์บางชนิดนะมันผลิตสารเคมีในตัวของมันเองนะแล้วฆ่าตัวมันเองตายฆนะ่าตัวเองตายได้จิตนี่ก็เหมือนกันผลิตกิเลสขึ้นมา กี่ไร่กลับมาข่ามันตายจมอยู่ในกองทุกข์ผู้เจ้ามองลึกซึ้งไปว่าลงไปอีกนะคนบางคนคิดว่าจะไม่ไม่ให้คิดผู้เจ้ารู้ว่าจิตเป็นอนัตตาตจิตมีธรรมชาติคิดนึกปรุงแต่งแต่จิตที่ได้รับการอบรมดีแล้วฉลาดแล้วนะถึงมันคิดมันก็ไม่ทุกขนะ์ไม่ใช่จิตทุกดวงที่คิดจะต้องทุกข์เสมอไปหรอก ท่านพอมว่าถ้ามันเข้าไปยึดถือมันจะทุกข์ให้คิดเฉยๆไม่ได้ยึดถืออยู่ไม่ทุกข์หรอกเนี่ยท่านฉลาดกว่าคนทั่วๆไปท่านก็มองออกอีกว่าทําไมมันยึดถือมันอยากนะมันถึงไปยึดมีความอยากอยากได้อะไรก็ไปยึดอันนั้นอย่างไปชอบสาวสักคนอยากได้มาอยู่กับเราเราก็ยึดสาวคนนั้นมา อยากได้มาอยู่บ้านเราเราจะเป็นเจ้าของเขาเราจะเป็นเจ้าของเขาเราก็กลัวเขาไม่มาอยู่กับเราต้องเอาใจเขาเนี่ยเราเสียอิสรภาพให้เขาต้องคอยเอาใจเขาแล้วอยากมีความสุขนะอยากให้เขามาอยู่ด้วยกลายเป็นต้องคอยเอาใจเขาตัวเองมีความทุกข์มากกว่าเก่าอีกจิตนี้ก็เหมือนกันจิตมีความอยากขึ้นมาจิตมีความยึดขึ้นมาจิตก็เลยทุกข์ขึ้นมา งั้นอย่าไปมองแค่ว่าจิตคิดเราทุกข์งั้นมองปรากฏการณ์ที่ตื้นไปอย่างเราคิดเรื่องนี้ครุ่มใจคิดเรื่องนี้คลุ่มใจขห้นมามันตื้นไปถ้าอรหันต์ก็คิดได้ไม่เห็นจะทุกข์เลยนะเพราะว่าใจไม่ได้พิยุทธ์อะไรไม่ได้ไปอยากอะไรเงั้นถ้าเราชี้ลงมาว่าตัวอยากเนี่ยเป็นสมูทัยให้เกิดความทุกข์ท่าไม่ได้บอกว่าความคิดเป็นสมูทัยให้เกิดความทุกข์ มีบางคนสอนกรรมฐานนะบอกความคิดนะี่ทำให้ทุกข์ต้องฝึกไม่คิดฝึกไม่คิดก็ฝึกให้ตัวเองกลายเป็นต้นไม้และก้อนหินนะเป็นมนุษย์ที่มีพัฒนาการมามากแล้วกลับไปเป็นสิ่งไม่มีชีวิตอีกเพนะื่อเจ้าฉลาดถ้ามองโอ้ถ้ามีตัณหามีความอยากนะ้ใจก็เข้าไปยึดถือต่างๆใจก็มีความทุกข์ขึ้นมามีภาระขึ้นมาความอยาก ความอยากก็เป็นอนัตตานี่ลงท้ายอะไรๆก็ทำไม่ได้สักอย่างความอยากอยู่ๆเราจะสั่งว่าอย่ากเกิดมันก็หางสั่งไม่ได้นะเกิดแล้วสั่งให้มันดับมันก็ดับไม่ได้มันเป็นอนัตตาไม่อยู่ในอำนาจบังคับท่านาาก็มองต่อไปอะไรทำให้มีความอยากขึ้นมามองลึกลงไปถึงที่สุดนะอวิชชาคือความไม่รู้ เ, เป็นต้นตอให้เกิดความปรุงแต่ง ความอยากก็เป็นความปรุงแต่งอันนึงความปรุงแต่งที่ดีก็มีอยากดีก็มีใช่อยากชั่วก็มีปรุงแต่งว่างๆก็มีมีความไม่รู้มีอวิชชาอยู่ก็ยัมีความปรุงแต่งพอปรุงแต่งได้ก็มีความอยากความยึดมีความทุกข์ตามมาเป็นแถวๆพระุทธเจ้าสอนให้ทำลายรากเง่า ของความอยากด้วยการทําลายความโง่ us us. ของเราเองมันอยากได้เพราะมันโง่ถ้าไม่โง่มันไม่อยากหรอกอย่างเราอยากจะไม่แก่อยากจะไม่ให้เจ็บไข้อยากไม่ให้ตายอันนี้เป็นอยากที่โง่เพราะอะไรเพราะเราต้องแก่เพราะเราต้องเจ็บเพราะเราต้องตายแล้ท่านสอนให้เรามาดูความจริงนะถ้าเรารู้ความจริงใจยอมรับความจริงแล้วความอยากมันจะไม่มีขึ้นมา ความอยากมีนานาชนิดนะอยากดูหนังอยากฟังเพลงอยากกินของอร่อยอยากโน้นอยากนี้ที่จริงก็คืออยากเห็นรูปอยากได้ยินเสียงอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากได้สัมผัสทางกายอยากได้เรื่องราวทางใจที่สนุกสนานเพลิดเพลินอยากในอารมณ์ทั้ง6นั่นเองมีตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นเครื่องมือสนองที่เอาไปแสวงหาอารมณ์ ความอยากนานาชนิดนะอยากเห็นรูปอยากได้ยินเสียงอยากได้กลิ่นได้รสอะไรทำไมมันอยากอย่างนั้นเพราะมันรักตัวเองความอยากนะจะมีมากมายแค่ไหนนะย่อลงมาแล้วเนี่ยมันเหลือแค่ว่าอยากให้กายให้ใจเป็นสุขอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์อยากอย่างนี้แหละทาไมเราไปดูหนังให้เพลิดเพลินก็อยากมีความสุขทำไมไปกินของอร่อยๆอยากให้มีความสุข ทำไมอยากมีแฟนก็อยากมีความสุขเนี่ยเที่ยวหาความสุขตลอดเวลาก็เลยอยากไปเรื่อยๆถ้าเมื่อไหร่มันเห็นความจริงนะกายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวสุขหรอกกายนี้ใจนี้คือตัวทุกลรุนๆไม่ใช่ตัวสุขพอเรารู้ความจริงอย่างนี้ได้นะความอยากจะให้กายให้ใจเป็นสุขจะไม่เกิดขึ้นอีกความอยากจะให้กายให้ใจพ้นทุกจะไม่เกิดขึ้นอีก ทำไมไม่อยากให้กายให้ใจเป็นสุขเพราะรู้ความจริงว่ามันสุขไม่ได้มันเป็นตัวทุกข์ทำไมไม่อยากให้มันพ้นทุกข์มันพ้นไม่ได้เพราะมันเป็นตัวทุกข์เหมือนอยากให้ไฟไม่ร้อนมันห้ามไม่ได้หรอกยังไงมันก็ต้องร้อนมีขันห้าอยู่มีกายมีใจอยู่ยังไงก็ต้องทุกข์เพราะมันเป็นตัวทุกข์เปลี่ยนไม่ได้เนี่ยพอจิตเราฉลาดนะจิตเราเห็นความจริงแล้วว่ากายนี้ใจนี้คือตัวทุกข์ ความอยากจะให้กายให้ใจเป็นสุขจะไม่เกิดขึ้นความอยากให้กายให้ใจพ้นทุกจะไม่เกิดขึ้นอีกเมื่อความอยากไม่มีความอยากคู่นี้แหละเป็นความอยากรากเง่าเลยอยากเป็นสุขใช่ไหมอยากหารูปมาดูหาเสียงมาฟังอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากได้สัมผัสนั่นแต่อยากมีความสุขหรืออยากหนีความทุกข์ทั้งนั้น มีความอยากขึ้นมาก็เพื่อแก้ตรงนี้แต่เมื่อรู้ความจริงแล้ ว, วากายนี้คือทุกข์ใจนี้คือทุกข์ความอยากจะไม่เกิดอีกงั้นวิธีทาลายความอยากให้เด็ดขาดนะก็คือทาลายความโง่ของเราเองเรียนรู้ความจริงลงไปกายนี้คือตัวทุกข์ใจนี้คือตัวทุกข์เนี่ยความจริงคือตัวนี้แหละที่ต้องเรียนเมื่อคนทำกรรมฐานผิดนะ ทำกรรมฐานหวังว่าจะไม่ทุกข์เช่นนั่งสมาธิมันปวดมันเมื่อยกล่าวว่ากูจะนั่งนานๆเอาชนะความทุกข์ให้ได้ชนะความปวดความเมื่อยให้ได้เวลานั่งแล้วปวดเมื่อยเนี่ยนั่งนานๆหายไหมหายเพราะวาความปวดเมื่อยไม่เที่ยงเดี๋ยวก็ขาชาไปเลยไม่รู้สึกแล้วนะปวดมากๆนะทนนั่งไปเรื่อยๆนะอยู่ๆเลือดวิ่งพรุดทะลุขาได้อีกนะออหายปวดหายเมื่อยเลย นั่งอยู่เฉยๆนี่แหละลองทําดูสิมเป็นจริงนั้นจริงๆนะั้นแปลกแต่ว่าแปลกก็ไม่แปลกแร้วมันแปลกสําหรับเราที่นึกไม่ถึงมันไม่แปลกสําหรับพระหรอกเพราะว่าอะไรท่านรู้ว่าความปวดเมื่อยก็ไม่เที่ยงเหมือนกันเังน <Yeah. S 1> ัเราไม่ได้นั่งเอาชนะความปวดไม่ได้ปฏิบัติเพื่อชนะความแก่ความเจ็บความตายไม่ได้นั่งภาวนาเพื่อให้แฟนไม่ทิ้งไม่ให้นั่พลัดพรากจากสิ่งที่รัก ไม่ได้ภาวนาเพื่อจะได้อะไรที่ดีๆเข้ามาหาตัวเองปฏิบัติธรรมเดินจงกรมหวังว่าจะรวยเนี่ยจะเอาเข้ามานะนักปฏิบัติจริงๆไม่ได้ทำอย่างนั้นรู้ว่ามันไม่มีเหตุผลพอเราปฏิบัติเพื่อให้เห็นความจริงว่ากายนี้คือตัวทุกข์ใจนี้คือตัวทุกข์เมื่อเห็นความจริงเมื่อไหร่จิตยอมรับความจริงเมื่อไหร่ความทุกข์ทางใจจะไม่มีอีกต่อไปนะ จะขาดเด็ดขาดเลยทีเดียวนี่แหละในขณะที่เข้าใจนะันะวัตสงสารวัตจักนี่ถล่มลงต่อหน้านต่อตาเรานี่บางท่านมีสาวเอฟเฟกต์นะฝ้าผ่าเปรี้ยงๆเลย น, ยนี่บางท่านนะเทวดาสาธุเจือเถื่อนโลกธาตุนี่ท่านที่ชอบโลดโผนพวกไม่โลดโผนเหรอกิเลสมันหายไปเลยนะไม่รู้หรอก ใครก็จะสาธุที่ไหนไม่สนใจเลยนะพวกไม่รู้ไม่เห็นพวกรู้พวกเห็นก็ออ้ยอัศาจรรย์อย่างนั้นอย่างนี้อาัศาจรรย์ที่สุดไม่ใช่ว่าเทวดาสาธุหรอกอัศาจรรย์ที่สุดก็คือตั้งแต่นี้ต่อไปไม่ต้องทุกอีกแล้วนี่อาัศาจรรย์ที่สุดเลยปัญหาหลักของเราในชีวิตนะคือปัญหาทำยังไงจะพ้นจากทุกข์นี่หน้าที่มาเรียนรู้กายรู้ใจให้มาก เห็นความจริงของกายบ่อยๆเห็นความจริงของใจบ่อยๆเจนวันหนึ่งจิตยอมรับความจริงของกายจิตยอมรับความจริงของใจความจริงของมันคือมันไม่เที่ยงมันถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลามันไม่อยู่ในอำนาจบังคับไม่ใช่ตัวเราเนี่ยเห็นความจริงพอเห็นความจริงนะมันจะหมดความอยากความยึดไม่มีอีกต่อไปละมันรู้ความจริงแล้วร่างกายนี้ไม่เที่ยงเพราะงั้นเวลาร่างกายแก่นี่เรื่องธรรมดา มันรู้ร่างกายเป็นตัวทุกข์เวลาร่างกายเจ็บป่วยเป็นเรื่องธรรมดามันรู้ว่าร่างกายต้องตายร่างกายมันเป็นอนัตตาไม่ใช่ของเรายืมเข้ามาใช้เดี๋ยวก็ต้องคืนไมงั้นร่างตายตายนะก็ไม่ทุกข์อีกมันเป็นอนัตตามันแก่ก็ไม่ทุกข์เพราะของมันไม่เที่ยงมันต้องแก่มันเจ็บมันก็ไม่ทุกข์นะเพราะเรารู้อยู่แล้วว่ามันต้องทุกข์ มันตายก็ไม่ทุกข์มันไม่ใช่ของเราเรายืมโลกมาใช้เนี่ยอันนี้จางทุกขังอนัตตานะก็ล้างความเห็นผิดลงไปเพื่อนั้นแก่ก็ไม่ทุกข์เจ็บก็ไม่ทุกข์ตายก็ไม่ทุกข์พลาดพลากจากสิ่งที่รักก็ไม่ทุกข์นะเพราะมันรู้ว่าสิ่งที่เรารักนะั้นเป็นของชั่วคราวความรู้สึกรักความรู้สึกสุขที่ได้อยู่กับคนรักก็เป็นของชั่วคราว สุดท้ายทุกคนต้องพลัดพรากเมื่อเจอแล้วต้องจากตลอดไม่มีการพบที่ไม่พลากนะการเจอที่ไม่จากไม่มียังไงก็ต้องจากบางคนจากเร็วกว่าที่คิดก็เศร้ามากบางคนจากช้ากว่าที่คิดก็เศร้าอีกนะเป็นไหมเบื่อหน้าอีนางนี่เหลือเกินเมืนะ่อไหร่มันจะไปไปย้ายบ้านไปให้พ้นอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะมันไม่ยอมจากก็ทู่อีกนะ หาเรื่องทูก์ไปเรื่อยๆงั้นมาเรียนรู้ความจริงนะของกายของใจเราอยากเห็นความจริงของกายเราก็อย่าไปแทรกแสงร่างกายร่างกายเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นอยากเห็นความจริงของจิตใจก็อย่าไปแทรกแสงจิตใจแค่ว่าจิตใจเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นเนี่ยที่ว่ารู้ตามความเป็นจริงอะรู้กายอย่างที่กายเป็นรู้ใจอย่างที่ใจเป็นพุทธเจ้าบอกรู้ตามความเป็นจริง พอรู้ตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายความยึดถือหมดความอยากความยึดพราะคลายความยึดถือจึงหลุดพ้นพอหลุดพ้นก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วชาติคือความเกิดสิ้นแล้วพรหมจันท ร, ร์คือการประพฤติปฏิบัติธรำทำเสร็จแล้วกิตที่ต้องทําไม่มีอีกแล้วเพื่อความบริสุทธิ์นี่ไม่มีอีกแล้วมันจบลงไปเลยจิตในทางธรรมามีเวลาจบจิตในทางโลกไม่มีวันสิ้นสุด อย่างเดือนนี้เราไปทามาหากินได้เงินเดือนมาใช่ไเอาไปกินก็ต้องทำงานอีกเพื่อจะได้มีกินต่อไปอีกร่างกายมันหิวกินข้าวมันหายหายหิวแล้วเดี๋ยวมันหิวอีกก็ต้องกินอีกงั้นภาระทางโลกภาระทางร่างกายทางะอะไรต่ออะไรนี่ไม่มีวันสิ้นสุดเลยแต่การปฏิบัติธรรมมีจุดที่สิ้นสุดสิ้นสุดตรงที่หายโง่นั่นแหละเข้าใจความเป็นจริง ของกายของใจเะฉนั้นเรารูกายอย่างที่กายเป็นรู้ใจอย่างที่ใจเป็นเรื่อยๆไปร่างกายเป็นอะไรร่างกายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตใจเป็นอะไรจิตใจไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาการที่เราเห็นไตรลักษณ์เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นแหละไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานั่นแหละเรียกว่าการเจริญวิปัสสนากรรมฐานบางคนบอกว่าถ้าเห็นกายเห็นใจเป็นวิปัสสนาไม่เป็นนะต้องจําให้ดีนะ อย่าบางคนบอกว่าไปเข้าคอร์สวิปั ส, สนาดูท้องพองท้ อ, องยุบเห็นอะไรเห็นท้องเห็นท้องท้องไม่ใช่ไตรลักษณ์ถ้าเห็นท้องไม่เป็นวิปั ส, สนาถ้าเห็นไตรลักษณ์รูปนี้เป็นไตรลักษณ์นี่อย่างนี้เป็นวิปั ส, สนานเรียนต้องเรียนให้แม่นแม่นะมัวมั่วภาวนาแล้บไม่ได้ผลไม่ได้ผลหรือภาวนาแล้วพยายามไปแทรกแซงจิตใจคิดเขาพยายามให้คิดก็เครียดสิไปแทรกแซงตลอดเวลา ภาวนาจนสติแตกเพี้ยนไปเลยบางคนก็เพี้ยนมากหลายอย่างความเพี้ยนในการภาวนานะี่มันผิดได้หลา ย, ลายจุดนะอย่างถ้าทำสมาธิบางทีก็รู้สึกโอ้คุยกับเทวดาวได้มีหูทิพมีตาทิพเห็นอะไรไปหมดเลยยกเว้นเดินเตะกระโถนมองไม่เห็นกระโนนะเดินเตะโตเตะเขียดมองไม่เห็นนะอุ้ยแต่เห็นหมดกายทิพที่ไหนเห็นหมดเลยนะ เนี่ยไอ้ของควรเห็นไม่เห็นไอ้ของที่ไม่ควรจะเห็นพาไปเห็นเข้าอีกนะภาวนาอะไรอย่างนั้นภาวนานะค่อยดูเห็นกายอย่างที่กายเป็นเห็นใจอย่างที่ใจเป็นเราจะเห็นได้เราต้องเป็นคนดูไม่ใช่ผู้แสดงไม่ใช่ผู้เข้าไปแทรกแซงเนี่ยเราเป็นแค่คนดูเห็นนั่งกายมันเคลื่อนไหวเราเป็นแค่คนดูเห็นจิตใจเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเราเป็นแค่คนดูจิตใจเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้าย นี่มันเปลี่ยนไปเรื่อยเราเป็นแค่คนดูไปหัดเอานะแล้ววันหนึ่งพอหายโง่ก็พ้นทุกเลยถ้าโง่น้อยก็ทุกน้อยโง่หนักก็ทุกหนักนะไม่โง่ก็ไม่ทุกแล้วง่ายง่แค่นี้แหละง่ายไหมก็ไม่ยากอะไรก่อนไปกลับครูบาอาจารณ์นะ ท่านก็สอนกรรมฐานให้นะแล้ท่านก็บอกมันง่ายนะมันง่ายนะประโมทง่ายท่านก็เป็นวักนิดนึง่ง <c oughs> แต่มันก็ยากเหมือนกันแหละ <c oughs> มันยากเพราะเราชี้เหย็ดดูนานๆดูทีหนึ่งแล้วเมื่อไรจะเห็นของจริงเมื่อไหรจะเห็นความจริงดูบ่อยๆเราก็เห็นความจริงได้บ่อยอย่างเวลาเราไปรักผู้หญิงสักคนนะเราไม่ได้ดูความจริงของเขานะเราดูของปลอมของเขา เขาแต่งหน้าเขาทาสีทาอะไรเขาก็หลอกเราแล้วอู้สวยจังเล ย, อ ย, อ, ย, เยอย่างนั้นอย่างนี้เขาแต่งตัวดีสวยอย่างนั้นอย่างนี้เราไม่ได้เห็นตัวจริงเราไม่ดูด้วยไม่อยากเห็นด้วยเคยมีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะท่านชอบสาวยังไม่ได้บวชนะชอบสาวท่านก็โอ้สาวคนนี้สวยแต่คนสวยมันต้องสวยตลอดท่านไปดูนะพอเขาอืคนโบราณไปอืในท้องนานะ ท่านไปดูว่าเออไม่เห็นสวยเลยนะเหม็นแสดงว่าตัวจริงเนี่ยสกปลกตัวจริงมันโสบปลกท่านไม่เอาเลยนะท่านบวชเลยนี่บารมีท่านมากท่านเห็นตัวจริง <AM. S 1> พวกเราจะไม่ยอมดูตัวจริงอย่างเวลาเราจะจีบใครสักคนนะเวลาเขาเหงื่อไหลเข ย, ขายข้ายเขาเช็ดเชอเราทําให้เห็นไปก่อนเราให้เขาแต่งหน้าให้เสร็จก่อนแล้วค่อยหันไปดูนัเจริญหูเจริญตาเราไม่ยอมดูความจริง แล้วเราพยายามลืมความจริงหลวงพ่อเคยอ่านหนังสือเล่มหนึ่งนะว่าคนนียพยายามลืมความทุกพยายามลืมความทุกไม่อยากจำเพราะความทุกเป็นความจริงนะไม่อยากเห็นไม่อยากรู้เขายกตัวอย่างผู้หญิงผู้หญิงคลอดลูกเจ็บที่สุดเลยตอนคลอดเนี่ยนะโอ้ยไม่เอาแล้วต่อไปนี้จะไม่มีลูกอีกแล้ว ปีหน้าก็มาร้องอย่างนี้ให้หมอฟังอีกนะหมอบบอกไว้มาทุกปีเลยแล้วก็บอกเข็ดแล้วเข็ดแล้วเสร็จแล้วมันลืมมันไม่ยอมคิดถึงทุกข์ที่ได้รับอีกแล้วจะคิดแต่ความสุขเนี่ยความอ่อนด้อยของมนุษย์อยู่ตรงนี้คือหนีการรู้ทุกข์ถ้ารู้ก็รู้ได้แต่ไม่ยอมรู้เท่านั้นเองงั้นเราคอยรู้นะความทุกข์มันอยู่ที่กายคอยรู้สึกอยู่ในกายไปความทุกข์อยู่ที่ใจคยรู้สึกอยู่ที่ใจไป เห็นแต่ของไม่เที่ยงเห็นแต่ของถูกบีบคั้นเห็นแต่ของบังคับไม่ได้ดูไปให้มากเลยถึงวันที่เขาพอเขาก็ล้างความเห็นผิดไปเองนะครยฝึกเอานะชาตินี้จบได้ก็จบไปชาตินี้จบไม่ได้ก็ไปจบชาติถัดไปชาติถัดไปยังไม่จบก็จบพุทธเจ้าองค์ต่อไปต้องตั้งใจเอาแล้ว น, นะยุคนี้ก็แปลกๆนะพูดถึงพุทธเจ้าบางคนนับถือพุทธเจ้าในอดีต ไหวแต่พระพุทธเจ้าในอดีตองคปสมประเสรท่านก็ดีก็ไหวได้บางคนนี่ไหวแต่พระพุทธเจ้าในอนาคตไหวะาษีอานไหวอะไรไม่เอาองค์ปัจจุบันน่าสงสารจริงๆเลยไม่ใช่สงสารองค์ปัจจุบันนะสงสารพวกเราที่ไม่อยู่กับปัจจุบันเมื่อแต่คิดถึงอดีตเมื่อแต่หลงไปอนาคตธรรมะก็คือเดิมไม่เอา เรื่องการรู้ธรรมะไปเรื่อยเรื่องการรู้กายเรื่องการรู้ใจมันได้ฝันไปเรื่อยเอฝันจะให้พระเทเจ้าในอดีตมาช่วยพระเทเจ้าในอนาคตมาช่วยไม่ช่วยตัวเองไม่ยอมช่วยตัวเองถ้าอยู่กับปัจจุบันนี้ก็ต้องช่วยตัวเองนะนะไม่ใช่ท่านไม่ดีนะท่านดีทุกองค์หลวงพ่อกราบทุกองค์เหมือนกันนะหลวงพ่อได้เป็นคนกราบพระง่ายนะไหว้พระอนะไรอย่างนี้ย พระถ้าดีๆแล้วไม่ถือนิโกงนิกายอะไไม่ถือแต่เวลาทําสังฆกรรมต้องถือนะเพราะเป็นระเบียบของสงฆ์ธรรมยุทธ์มหานิการอะไรแยกกันแต่ยังนั่งฉันข้าวเนี่ยไม่ใช่สังฆกรรมเนี่ยกินข้าวธรรมะนะอาสจ ร, รนะค่อยๆล้างความเห็นผิดล้าความยึดถือไปค่อดูไปหลวงพ่อเจอครูบาอาจารย์นะถ้าดีๆก็กราบไปเรื่อยแหละกราบ ไม่ได้แยกนะว่าต้องนิ่งไก่ไหนไม่ได้สนใจหรอกใครมีคุณางามความดีเราก็ไหว้เท่านั้นแหละแต่ถ้าหลวงพ่อไปหาใครอย่าไปคิดว่าหลวงพ่อรับรองว่าเป็นพระอริยนะอย่าสำคัญผิดนะพระปูถืชนเราก็ไหว้ท่านบวชมานะท่านหูอุตส่ารักษาศีลศีลตั้งโยรักษาอยู่ตั้งใจรักษาได้แค่นี้ก็กราบได้แล้วนะหรือบางองค์อ่ ลำบากแทบแย่เลยนะท่องปริยัตเรียนปริยัตนี่ก็น่ากลาบรักษาปริยัตไปก็น่ากลับแนละ้วนะอย่างโง่ก็แล้วกันนะบุญมีอยู่ทุกคนทุกแห่งท้างโง่นะเดินไปข้างไหนก็เตะบาปไปเรื่อยสะดุดบาปไปเรืนะ่อยเจอคนนี้ก็ปรามาดเขาเนี่ยเจอคนนี้ก็ไปหลงรักเขาเนี่ยนี่บาปทั้งนั้นเลยงั้นะอยู่ที่วางใจให้มันเป็นบุญไว พอไหวไหมถือศีลห้าไหวไหมใครคิดว่าถือได้ยกมือซิเออถือไม่ได้ก็แย่แล้วว่าชาติหน้าไม่เป็นคนอ่ะไม่มีศีลไม่ได้เป็นคนอีกนะกว่าจะได้เป็นคนอีกนานใครคิดว่าต่อไปนี้จะพยายามฝึกให้จิตใจอยู่กับตัวเองบ้างคิดดูโอ้อย่างนี้ก็ค่อยอยังชั่วหน่อย คนทั่วๆไปเนะี่ยมันไม่ยอมหรอกมันอยากให้ใจไปอยู่ที่คนอื่นสนใจคนอื่นนะรู้หมดเลยใครเ็าทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรเพราะอะไรรู้หมดเลยรู้มากกว่าเจ้าตัวอีกนะรู้เรื่องคนอื่นมากกว่าคนอื่นเขายิ่งี่จะรู้ตัวเองอีกนะงั้ต่อไปนี้ก็รักษาศีลห้าฝึกจิตใจให้อยู่กับตัวเองใจหนีแล้วรู้ใจหนีแล้วรู้อย่าไปบังคับให้อยู่ ให้ใจหนีไปแล้วรู้เอาแล้วก็ดูกายออกไปกายกับใจแยกออกจากกันความรู้สึกทั้งหลายแยกออกไปความสุขความทุกข์แยกออกไปความโลบความโกรธความลงแยกออกไปไม่ใช่จิตทั้งนั้นเลยไม่ใช่ใจคให้ดูแต่ละส่วนแต่ละส่วนแล้วก็จะเห็นธรรมะเห็นธรรมะก็คือร่างกายนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาความสุขความทุกข์กุศลอกุศลจิตใจนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา เห็นเยอะเข้าอริยมรรคกเ็เกิด่็ร่างความเห็นผิดไปนะหมดความเห็นผิดทก็หมดทุกตรงนั้นแหละนะเอาต่อไปส่งกันบ้านให้พวกอยู่วัดก่อนมาอยู่วันแรกออก็เดินจงกรมแล้วก็เห็นหลงรู้ว่าหลงตลอดทั้งวันค่ะแล้วก็ตอนเย็นเนี่ยก็เกิดสงสัยขึ้นมาเพราะว่ามันไม่ไม่กลับมารู้สึกตัวค่ะก็ สงสัยว่าทำผิดหรือเปล่าค่ะส่วนเมื่อวานนี้อกลับไปกุฏิก็เดินก็ไม่เหมือนวันแรกค่ะไม่เห็นไม่เห็นหลงค่ะก็เลยเดินด<ม>ูกาย<ม>ค่ะแล้วก็ตอนเย็นก็ออกมาเดินที่ศาลาข้างหน้าเนี่ยค่ะ<ม>ก็เดินพุโทโธไปเรื่อยๆ<ม>ก็เดินยังมีความสุขสนุกก็เดินถึงทุ่มหนึ่ง<ม>กลับไปอาบน้ํา<ม>สวนมนต์ทำวัด<ม>แล้วก็คือ มัเหนื่อยที่แล้วกะว่าจะเดินจงกรมต่อก็ไปนั่งเอานั่งพุทโธแล้วกันเห็นไหมหลวงพ่อถามบ้างเห็นไหมแต่ละวันแต่ละเวลาเนี่ยใจเราไม่เคยเหมือนกันค่ะทั้งที่เราก็เดินเหมือนกันนะวันแรกเราก็เดินวันที่สองก็เดินวันที่สก็เดินแต่ใจเราไม่เหมือนกันค่ะงั้นการที่เราต้องทํากรรมฐานอะไรสักอย่างหนึ่งซ้ําๆนะเพื่อเราจะได้เห็นว่าใจนี้มันเออเริ่มมันบังคับไม่ได้มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆ แต่ถ้าวันนี้เดินวันนี้ขี้เกียจอะไรเงี้ยแล้วใจเปลี่ยนไปเปลี่ยนมายเราดูไม่ออกหรอกว่าเป็นเพราะว่าใจมันเปลี่ยนได้ด้วยตัวเองค่<ฆ>นะงั้นเราทํากรรมฐานอะไรต้องทําให้เด่นเดียวทามันทุกวันซ้ําแล้วซ้ํำอีกอยู่แค่นั้นแล้วเราจะเห็นใจนี้ไม่ไม่คงที่สักวันหนึ่งนะถึงจะเห็นได้<ฆ>ถ้าทําบ้างไม่ทําบ้างไม่เห็นออก<ฆ>ดีไปทําอีกก็ออหลับตา จะพยายามท่องพุโทโธผลับตาปุ๊บ ก, ก็เห็นภาพผู้หญิงเรียงหน้าม า, าสีนะ้าคนภาพผู้หญิงค่ะเอออย่างดีไม่น่ากลัวเรียงหน้ามาสี่ห้าคนก็มันก็ผูดขึ้นมาว่าไม่ใช่เราเออแล้วมันสีแล้วมันก็เหลือบไปข้างหลังอา้าวแล้วเราอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยก็เหลือบข้างหลังก็มันก็พูดขึ้นมาว่าประกอบร่างซีอย่างกับพวกไอ้มดแดงยอดมนุษย์ก <laughs> ็ <laughs> ตกใจก็ลุกขึ้นมาเดินพลานอยู่พักหนึ่งเอ๊ะเป็นอะไรไปเหมือนกับพยายามดึงตัวเองกลับมา <ứng S 2> ก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรสงสัยก็คิดว่าสงสัยกรรมฐ า, านแตกอะไรบ้าไปแล้ว <c oughs> เกิดอะไรขึ้นย้อนมาที่จิตอย่าลืมหลักนี่ <c oughs> ตกใจดูตกใจหายตกใจปุ๊บเป็นหนึ่งขึ้นมาละไม่หายมันก็พ้านอยู่เป็นอะไรอ๋อสงสัยเหนื่อยเดินมาเยอะอะไรเงี้ยนอนอแล้วกันก็นอนเอ๊ะยังหัวค่ําอยู่เลยก็นอนแล้วก็ลุกขึ้นมาแบบเออนั่ง ลุกขึ้นมานั่งท่องวุฒทโธเหรอห อ, อะไรเงี้ยพอลุกขึ้นมากอดเขาก็พอับตาปุ๊บมันก็บอกว่าร่างกายเราไม่มีขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกอีกเสียงหนึ่งก็บอกเอ้าก็นั่งอยู่นี่ไงมันก็บอกว่ า, าไม่ใช่เรานะพระกระมานเนี่ยชอบเถียงกันอย่างเนี้ยมันเถียงกันอยู่ที่ใจเรานี่เองระหว่างปัญญากับความโง่สู้กัน ก็หลังจากนั้นก็ฟุ้งเรื่องเนี้ค่ะเป็นเป็นอะไรฟุ้งให้รย้อนมาดูจิตน ะ, ะทิ้งหลักไปถ้ากลับมาที่จิตก่อนแล้วก็ดูต่อไปคมัน ก, ก็พยายามกลับมาแต่มันก็เดี๋ยวมันก็ฟุ้งไปคิดอีกค่ะฟุ้งไปเรื่อยๆอันนี้ค่ ะ, คะอยู่วัดหลวงพ่อมันไม่มีอะไรหรอกไม่มีอันตรายอะไรหรอกมีแค่ตุกแก่งูเหา่าพอพอมีบ้างนิดหน่อยจงอางนานเห็นทีผีเยอะหน่อย หนูไม่ได้กลัวอะไรพวกนี้เลยค่ะนั่นแหละไม่กลัวก็ดีแล้วใครจะอยู่วัดวันนี้มีไหมก้เล่าเรื่องผีให้ฟังเพื่ออะไรวันนี้จะได้ภาวนากระชับกระเฉงคืออย่ากลัวอะไรเกิดขึ้นอย่ากลัวถ้ากลัวให้ย้อนมาดูจิตแค่นี้ก็พ้นได้แล้วล่ะ เวลาที่เราไปทำกรรมฐานนะอยู่ไกลครูบาอาจารย์เนี่ยมันจะมีการผิดพลาดอยู่สองช่วงช่วงหนึ่งถ้าจิตเราทำสมถะอยู่เนี่ยมันจะเกิดนิมิตได้ถ้านิมิตเกิดเห็นโน้นเห็นนี่อะไรนให้ย้อนมาดูจิตอย่างผีโผล่ขึ้นมาเนี่ยย้อนมาดูจิตจิตกลัวให้รู้อะไรเงี้ยนิมิตทั้งหลายมันจะหายไปนะสิ่งที่ผิดพลาดนั้นที่สองคือขนาดที่เดินวิปัสสนาเนี่ยแล้วจิตมันเคลื่อนออกจากฐานจิตไม่ถึงฐาน มันจะเกิดวิปัสโนปกิเลสบางทีจิตสว่างว่างสบายอยู่งั้นเป็นเดือนๆ เ, เลยนึกว่าบรรลุมากผลไปแล้วความจริงจิตไม่เข้าฐานให้สังเกตเอาถ้าจิตมันสบายมันโลง่งมันว่างออกไปข้างนอกนะย้อนกลับมาที่ร่างกายไหกลับมาดูกายมาดูใจใหม่ถ้าจิตมันกลับเข้ามานะวิปัสโนจะหายนะงั้นสิ่งที่ผิดของสมถานกะ็คือนิมิตสิ่งที่ผิดในทำวิปัสนาเขาเรียกว่าวิปัสโนปกิเลส ถ้านิมิตเกิดถ้าย้อนมาดูจิตมันก็จะหายวิปัสสนูเกิดนะถ้าย้อนถึงจิตก็หายถ้าย้อนเข้าที่จิตยังไม่ได้ก็มาดูกายไว้ก่อนเดี๋ยวมันเข้าที่จิตก็หายนะรวมความก็คือทั้งนิมิตทั้งวิปัสสนูนะถ้าจิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตแล้วก็หายหมดเลยนะถ้าเคลื่อนจากจุดนี้โอกาสผิดน้องก็เยอะหน่อยนะจับหลักเอาไว้นะได้ไปช่วยตัวเอง เราอยู่ไกลบางคนอยู่นคร อ, อยู่ภูเก็ตใะนั้นไกลนะแล้วก็แนะนําอย่างนะเอยียดเที่ยวร่อนเร่ไปเรียนกรรมาฐานมั่วซั่วนะถ้าเรียนกับหลวงพ่อแล้วนะดูกายดูใจของเราไปเรื่อยถ้าสงสัยไปหยิบซีดีมาสักแผ่นหนึ่งยกมือไหว้พระพุทธเจ้าก่อนแล้วก็เปิดเอาเดี๋ยวก็เจอคําตอบรับรองเจอแน่นอนนะนักการหลวงพ่อค่ะ ก็เข้าใจตัวเองได้ดีขึ้นแต่ว่าก็แต่ก่อนก็มองไม่ค่อยเห็นจิตเศอ้ามองค่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็พอเห็นได้บ้างแล้วนั่นแหละเคยรู้ทันนะมันหลอกเราจรึงไม่ได้มีใครทําอะไรเราจริตเรามันปรุงเอาะมันปรุงให้น้อยเนื้อต่ําใจอะไรต่ออะไรมันหลอกเรานะอย่าหลงกลมันค่ะมันแค่ความรู้สึกผ่านมาผ่านไปดูตรงๆมันหายหมดอ่ะอ่ะต่อไปกราบนรเมศการค่ะ ก็ได้เห็นความอย่างที่หลวงพ่อเคยบอกไว้แล้วก็เห็นแล้วค่ะว่าไอ้ความอย่างเนี่ยพอเห็นปุ๊บมันทําให้เราพาไปทําอะไรเยอะแยะมัองถ้าเห็นแล้วมันไม่พาหรอกถ้าไม่เห็นแล้วมันพาค่ะแล้วมันทําให้เห็นไหมว่าทุกอันนะจะพูดจะทําจะคิดนะพวกมันซ่อนอยู่ข้างนั้นเลยใช่ค่ะมันผลักดันทั้งนั้นเลยเบื้องหลังของมันอีกทีก็คือตัวกูตัวกูใช่ทาทุกอย่างเนี่ยเพื่อเซิฟตัวกูทั้งหมดเลยค่ะจะพูดจะทํำจะคิดค่ะ เนี่ยรู้ไปรู้ไปค่ะแล้วมาอยู่ที่นี่เนี่ยไม่ได้คลุกคลีมันเห็นเลยว่าจิตมันทุกข์มันเหมือนขาดมันมันหิวจิตแต่ก่อนนะมันหนีเพราะฉะั้นการที่คนทเที่ยวไปคลุกคลีคนอื่นเนี่ยมันคือการหนีทุกข์อย่างหนึ่งค่ะเพราะฉะนั้นจะพยายามไม่ดูทุกข์ที่หลวงพ่อบอกนะพยายามไม่ดูทุกข์พยายามหนีเพราะฉะนั้นอย่าไปคลุกคลีแล้วพี่จะเห็นตัวเองชัด ค, คลุกคลีไม่ดีหรอกค่ ะ, คะก็ จะขอขอโอกาสหลวงพ่อขอคำแนะนำเพื่อไปแบบต่อด้วยค่ะเอาที่สอนนี่แหละไปทำแนะนำ <c oughs> ะละเอียดยิบแล้วไม่มีใครแนะเท่านี้ละขอบคุณค่ะครับก็เมื่อคืนครับตอนหกขําสวดมน์นะฮะแล้วก็พอกลับมาสวดมน์ <c oughs> เดินจงกรมเี้ยมันก็จะจิตมันก็จะคอยอไปคิดสงสัย <c oughs> คิดกลัวเจอทั้งในที่สุดมันไปเห็นว่า เวลาจิตจะกลัวเนี่ยมันมันกลัวของมันเองนะแล้วก็ไปเห็นว่าเราอะอยากให้จิตอนะมันไม่กลัวเออฮะแล้วก็ตอนนั้นมันก็เลยอ่ามันก็เลยน้อยลงครับความกลัวก็น้อยดีนะต้องอย่างนั้นแหละหลวงพ่อก็กลัวผีแต่ก่อนนะตอนเป็นโยมอะไปพานามีบางที่อะท่านให้ไปอยู่หน้าป่าช้าเวรจริงๆแล้วเรากลัวผีนะแล้วตอนบวชเป็นนักศึกษาบวชเลย หลวงพ่อปัญญาให้ไม่อยู่ข้างแฟลตผีอีกโอ้เราได้ดูเยอะเลยถ้าเรากลัวภาวนานก็เป็นธรรมชาติมากขึ้นนะครับหลวงพ่อก็ดูมันทำงานไปบังคับมันน้อยลงนะครับผมคอครู้ทันเอาบังคับเมื่อไหร่ก็ทุกเมื่อนั้นดูไปนะเอาใครจำเป็นใครจำเป็นจะคุยอยู่หลวงพ่อ นมัสการหลวงพอ่อเขาอยากถามว่ า, าการดําเนินจิตของเขาว่าถูกหรือยังอะหาย่ยเหมือนกับปฏิบัติถูกหรือยังจิตเขาดําเนินถูกหรือยังา <c oughs> ถามง่ายตอบยากนะ <c oughs> มันต้องใช้เวลานะได้ใช่แล้วทนเอาคอยรู้ทันความรู้สึกของตัวเองไปเรื่อยๆเนะช่นใจมีความสุขก็รู้ ใจเป็นทุกข์ก็รู้ใจเฉยๆก็รู้รู้ทันความรู้สึกของตัวเองไปเรื่อยๆนะเดี๋ยววันหนึ่งก็พ่อนาชำนาญขึ้นมานะคอยรู้ทันความรู้สึกไปนะนะยังมีเขาอยากนะให้หลวงพ่อมีแนะนำอะไรเพิ่มเติมป่ะคะใจหลงไปอันนี้ก็ไม่ถูกดึงเอาไว้ก็ไม่ถูกที่ถูกก็คือมันหลงไปแล้วรู้ว่าหลงนะแค่หลงแล้วก็รู้ว่าหลง ใจสงสัยรู้ว่าสงสัยเราก็เห็นว่าความสงสัยเกิดขึ้นมาแล้วก็หายไปนี่หัดดูอย่างนี้นะกลับครับคุณค่ะท่านถามว่าทําบทเป็นพิคโคนีท่านอยากจะพยายามรักษาทำวินยัยแต่บางทีอยู่ในสิ่งห์เวนนมที่วัดจะรักษาจะง่ายแต่บางทีไปปังวัดรักษาจะยากท่านถามว่าท่านพยายามรักษาวินัยอยู่อันนี้ เป็นความยึดถือไหมครับต้องทำยังไงจึงถูกครับก็พยายามรักษาไว้เนะท่าที่ทำได้จุดสำคัญคือรักษาใจของเราอย่าให้กิเลสมันครอบงำอย่างเราไปอยู่ที่ที่เขาไม่มีวิ น, นัยเราไม่สบายใจให้รู้ว่าไม่สบายใจเราไปดูถูกเขาว่าเขาไม่ดีเราดีกว่าเขาก็าให้รู้ทันงั้นรักษาใจของเราไว้นะ เวลาที่ไปต่างที่ต่างถิ่นเลยรักษาวินัยตามแบบวัดเราไม่ได้รักษาจิตไว้อย่าให้กิเลสมันคร่บงําได้เท่านั้นแหละรักษาใจได้อันเดียวก็สบายไปหมดแล้วล่ะกราบนกราบนมันสการหลวงพ่อครับเขากาดทามครับอพอดีผมมาส่งกันบ้านรอบหกเดือนนะครับผมในหเดือนที่ผ่านมาก็คือเห็นร่างกายเคลื่อนไหวเองมากขึ้นอแล้วก็ ขอเนี่ถามแล้วกันนะครับว่าตอนนี้ผมมีอะไรที่ต้องปรับปรุงเพิ่มเติมครับไปรู้ไปกิเลสอะไรเกิดขึ้นรู้มันนะเพราะว่ามันจะคอยผลักดันให้เราเกิดพฤติกรรมทั้งหลายทั้งปวงก็ทั่งการปฏิบัตินะกิเลสยังผลักได้เลยนะมันอยากจะดีอนะไรเงี้ยรู้ทันมันนะถ้ารูทันกิเลสได้ก็สบายไปเยอะแล้วเพรามันจะครอบงําใจไม่ได้ตอนนี้ถือหลวงปู่ช่วยประเมิน ใ, ให้ผมหน่อยได้ไหยครับว่าดีหรือว่ายังปรับปรุงอีกเยอะครับดีดี ดีเป็นลำดับลำดับไปนะครับคุณครับไม่เร็วหรอกเพราะว่าถ้าลงมือปฏิบัติแล้วนะค่อยๆลดละกิเลสไปค่อยๆพัฒนากุศลไปก็ถือว่าเดินอยู่ในทางแล้วอย่างเวลาจะทำผิดศีลแล้วอายใจอย่างนี้ถือว่าพัฒนาแล้วนัศกาิ์ครับฟังสิทธิหลวงพ่อมาหปีกว่าก็ เคยลองพยายามอยู่กับลมหายใจเป็นวิหารธรรมนะครับแต่ว่ารู้สึกมันไม่ค่อยกลับไปอยู่ที่ลมเท่าไหร่ครับเวลาที่รู้สึกตัวครับรู้สึกตัวก็คือรู้สึกตัวไม่ใช่รู้สึกลมนะรู้สึกตัวก็คือรู้สึกแหละไม่เผลอครับไปรู้สึกบ่อยๆไปพอรู้สึกแล้วก็เห็นร่างกายกับใจมันคนละอันกันเห็นความสุขทุกข์ดีชั่วกระจายก็คละอันนะฮัดตัวอย่างนี้เรื่อยๆ แล้วสุดตื่นเต้นนี่คือก็ตื่นเต้นก็ตื่นไปก็แค่รู้ว่าตื่นเต้นตื่นเต้นแล้วไปกดอยู่รู้ว่ากดก็แค่นั้นเองอ๋อครับห้ามมันไม่ได้แล้วอย่างผมนี่เป็นพวกชอบคิดหาเหตุเป็นแนวแบบอดูจิตไปดูจิตเหมือนเดิมดูจิตไปไม่ใช่พวกคิดหาเหตุไม่ใช่พวกคิดหาเรื่องคิดแล้วมันก็วุ่นวายนะครับเราดูดูของเราดูจิตดูใจของเราสุขก็รู้ทุก็รู้ดีก็รู้ชั่วก็รู้ ตัวตัวเนี้ยอย่าสนใจคนอื่นนะใครเขายังไงก็ช่างเขาอ๋อแต่มีญาติโยมฝากมาถามนิดนึงว่าตอนที่จิตตั้งมั่นเนี่ยมันจะเป็นกลางโดย อ, อัตโนมัติไหมครับตั้งมัน่นตั้งมั่นนะบางทีมันแอ บ, บยินดีในความตั้งมั่นก็มีนะอ๋อเพะะื่อนหลวงพ่อถึงบอกว่ามีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตตั้งมั่นและเป็นกลางเห็นไหมมีใช้คําว่าและนะ ค, ครับ ไม่ใช่ตั้งมั่นลดเป็นกลางอันเดียวกันใช่กรับในมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะเมื่อเช้านั่งฟังหลวงพ่อเห็นไหมว่ากายกับใจคนละอันบางครั้งเจ้าค่ะเห็นไหมว่าความรู้สึกกับใจก็คนละอันความรู้สึกกับใจยังไม่ถ้างั้นดุกกายถนัดกายมากกว่าใจก็ดุกกายก็เห็นกายเนี่ยทำงานไปเห็นกายหายใจไปเห็นกายยืนเดินนั่งนอนไป ใจเราเป็นคนดูไปนะนกลายเป็นสุขใจเป็นทุกข์อะไรเงี้ยใจเป็นคนดูไปค่อยๆฝึกอย่างนี้เรืนะ่อยๆนะการนมัสการเจ้าค่ะหลวงพอ่อนหยยกมือนมองไม่เห็นเออค่ะนีะ่อยู่คราวหนึงหนูเห็นเหมือนว่าตัวเองเนี่ยกําลังเคลื่อนไหวอยู่แล้วหนูก็เอ๊ะแล้วหนูก็ฮึตัวอะไรก็ไม่รู้ค่ะ น, น, นั่นแหละ มันเห็นนะร่างกายก็ส่วนหนึ่งใจก็ส่วนหนึ่งร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเรานะดูร่างกายไปเรื่อยแสดงว่าถนัดดุกกายเห็นกายเร็วเนี่ยเห็นไหมร่างกายพยักหน้าไม่ใช่เราพยักหน้าค่ะเนี่ยดูอย่างนี้เรื่อย ร, ร่างกายกินข้าวไม่ใช่เรากินข้าวนะ<ข>อนะอแต่ <ขอ S 2> <Lok> ว่าต้องไม่ผิดศีลนะหลวงพ่อเคยมีเพื่อนคนหนึ่งเคกินก๋วยเตี๋ยวราดหน้านะแล้วเขาเสิร์ฟมาก่อนแล้วเขาไปเสิร์ตโต๊ะอื่นโมโหมากเลย ตบหน้าเด็กเสิฟพัวเลยถามตบเขาทาไมสักแต่ว่าตบโอ้เนี่ยร่างกายมันตบใจเป็นคนดูอย่างนี้ไม่ได้นะไ <laughs> อยอย่างนั้นมันแอ บ, บอ้างแล้วแอบบอ้างธรรมะนะ <laughs> เขาถามว่าเออก่อนคปปรูบาอาจารย์สอนเขาดูความคิดเขาถามว่าดูความคิด คือดูจิตไหมครับไม่ใช่เวลาเราคิดไปนะคิดเรื่องนี้มีความสุขให้รู้ว่ามีความสุขคิดเรื่องนี้มีความทุกข์ให้รู้ว่ามีความทุกข์คิดเรื่องนี้เราโกรธรู้ว่าโกรธอย่างนี้ถึงจะเรียกดูจิตถ้าดูความคิดดูเรื่องที่คิดเนี่ยไม่ใช่วิปัสสนานเพราะคนเราธรรมชาติมันต้องคิดคือคิดทั้งวันอยู่แล้วดูไปก็ไม่เห็นแใจลักแต่ถ้าจิตเผลอไปคิดเรารู้ว่าจิตไปคิดเนี่ยปุ๊บความคิดมันจะขาดนะ กลายเป็นจิตรู้อย่างนี้นเดี๋ยวจิตเป็นผู้คิด<ม>เดี๋ยวจิตเป็นผู้รู้อย่างนี้ใช้ได้แต่ถ้าไปดูเรื่องที่มันคิดเนี่ยใช้ไม่ได้นะก็จะเห็นเลเดี๋ยวจิตแคคิดเดี๋ยวจิตแค่รู้เดี๋ยวจิตก็คิดเดี๋ยวจิตแค่รู้อย่างนี้ใช้ได้ <aus> เขาทําปัญหาที่2คือบันทีจะรู้สึกว่าความคิดจะพาพาเขาไปครับใช่พอมีความคิดเกิดขึ้นมันก็พาให้เกิดสุขพาให้เกิดทุกข์พาให้ไปอดีตพาให้ไปอนาคต ให้คอยรู้ทันใจตัวเองไว้ไม่ใช่รู้เรื่องที่คิดนะใจมันไปอดีตก็รู้ใจมันไปอนาคตก็รู้ใจสุขใจทุกข์ก็รู้ใจดีใจชั่วก็รู้อย่างนี้ถึงจะใช้ได้เรื่องที่คิดไม่สําคัญแต่ว่าพอคิดแล้วใจเราเป็นยังไงตัวนั้นสําคัญกว่าเขาบอกว่าเวลาความคิดพุ่ขึ้นจะไม่มีความสุขหรือความทุกข์ อยู่ความอะไรนะเวลาความคิดเกิดขึ้นจะไม่เห็นมีสุขไม่เห็มีทุกข์ตรงนั้นน่ยถึงใช้ดูไม่ได้เวลาคิดเนี่ยเรื่องราวที่คิดนะเรื่องอารมณ์บัญญัติไม่มีสภาวะมันไม่มีสุขไม่มีทุกข์อะไรแต่ว่าพอมันคิดไปแล้วเนี่ยความสุขความทุกข์เกิดขึ้นถึงจะค่อยรู้เอาถ้าไปดูอยู่ตรงที่คิดเนี่ยจะว่างๆไม่มีอะไรอย่าไปดูตรงที่มันคิด เขาบอกว่าก่อนเวลาโกรธจะรู้รู้ทันตัวเองกําลังโกรธอยู่อพอมาฝันธรรมาสงสามวันแล้วจะเริ่มงงแล้วบันทีไม่รู้ว่ารู้อะไรอยู่บันทีก็รู้สึกว่าพอรู้อยู่ครับก็ง่ายมากเลยงงก็รู้ว่ากําลังงงอยู่งงก็เหมือนโกรธตัวหนึ่งอ่ะก็เป็นความรู้สึกอย่างหนึ่งเพราะงงรู้ว่างงหายงงแล้วก็รู้ว่าหาย เอหลวงพ่อท่านบอกว่าเวลาฟังฟังเอ่อเทศของหลวงพ่อหรืออ่านอ่านธรรมะของหลวงพ่อจะมีปิติแต่เวลาภาวน า, าหรือจะไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยมีมีความสุขเพราะฉะนั้นอยากจะขอแนะนําจากหลวงพ่อครับคือเราไม่ได้ภาวนาความสุขหรอกนะเราภาวนาก็เห็นร่างกายมันทํางานเห็นจิตใจมันทํางานไปเรื่อยๆ อย่างฟังเทศชอบมันก็มีความสุขถ้าฟังแล้วไม่ชอบมันก็ไม่สุขหรอกแล้วสุขกับไม่สุขไม่สําคัญหรอกแต่มีความสุขก็ให้รู้มีความทุกข์ก็ให้รู้ชอบก็รู้ไม่ชอบก็รู้ใครรู้ทันใจของเราไปเรื่อยๆท่าบอกว่าเวลาฟังอาจารย์เทศเออหนักของการปฏิบัติคือดูจิตได้ไปดูจิตแต่ท่าบอกว่า เกี่ยวกับดูจิตได้ความคุณภาพดูเป็นยังไงจึงถูกครับอะไรนะคุณภาพคุณภาพของดูจิตความความดูเวลาจะดูจิตนะอย่าไปจงใจดูให้ความรู้สึกเกิดแล้วก็ค่อยดูเอาระหว่างดูดูห่างๆอย่าให้ใจเราไหลเข้าไปรวมกับความรู้สึกนั้นนะพอเรารู้ความรู้สึกแล้วความรู้สึกอะไรเกิดเราก็แค่รู้ แต่พอรู้แล้วถ้าใจเราเกิดยินดีก็รู้ทันใจยินร้ายก็รู้ทันนี่ใจมัไม่เป็นกลางก่อนจะดูมันมีหลักสข้อนะของการดูจิตข้อที่1ก่อนจะดูเนี่ยอย่าอยากดูแล้วไปคอยจ้องดูไปเที่ยวหามันจะไม่มีอะไรให้ดูมันจะว่างๆข้อที่สองระหว่างดูเนี่ยอย่าถลําลงไปดูดูเหมือนคนวงนอกดูเหมือนเห็นคนอื่นเขาโกรธนะดูเหมือนเห็นคนอื่นโลบข้อที่สดูแล้วไม่แทรกแซง ดูแล้วมันยินดีก็รู้ทันมันยินร้ายก็รู้ทันไม่เข้าไปแทรกแซงมัน <chart> ความโกรธเกิดขึ้นก็ไม่ต้องไปทำให้หายความสุขเกิดขึ้นก็ไม่ต้องรักษาก็แค่เห็นว่าทั้งความโกรธทั้งความสุขเกิดแล้วก็ผ่านไปผ่านไปนดูแล้วไม่เข้าไปแทรกแซงถ้าอย่างนี้ดูมีคุณภาพนะถ้าถ้าจงใจไปดูีไม่มีคุณภาพถ้าหลําลงไปดูไม่มีคุณภาพดูแล้วแทรกแซงเนี่ยไม่มีคุณภาพ เขาบอกว่าเวลาแทรกแสงจะเร็วมากครับใช่มันเคยชินไงธรรมดาให้ค่อยรู้ไปจะไปห้ามไม่ให้แทรกแสงไม่ได้จิตมันเคยชินแต่แทรกแสงเรารู้ทันต่อไปมันเลิกนะหลวงพอ่อเขาเขาพราะว่าเขามีโอกาสมาฟันธรรมะที่หลวงพ่อเทศจะมีปีดีมากก็เพวาเขา สวงหาภาวนา20กว่าปีแล้วให้รู้ตรงนี้นะจะได้พัฒนาเร็วๆคือปีติเนี่ยเราฟังธรรมะแล้วมีปีติมันก็เป็นของดีอยู่นะแต่ว่าถูกของดีครอบงาใจก็ไม่ดีเหมือนกันเพราะงั้นเวลามีปีติเกิดขึ้นมาให้รู้ทันอย่าให้ปีตินะมาครอบงาใจเราได้ใจเราจะได้เป็นอิสระค่อยๆฝึกนะกาบนมัศ ก, การหลวงพ่อค่ะ เป็นคนขี้กังวลแล้วก็ขี้กลัวจะถามหลวงพ่อว่าจะใช้แนวทางการปฏิบัติแบบไหนดีคะเจริญเมตตาไว้บริกรรมเมตตาไปเรื่อยเมตตาคุณังอระหังเมตตาใจเราขี้โมโหใจร้อนหงุดหงิดง่ายอะไรเงี้ยเครียดง่ายเป็นคนเครียดง่ายเจริญเมตตาไว้พอเราใจเราสบายคนมีเมตตานะมันไม่ค่อยกลัวอะไรใจมสบาย แล้วขอการบ้านด้วยค่ะมิลานบริกรรมไปเรื่อยๆบริกรรมแล้วก็รู้ทันใจตัวเองไปเจริญเมตตาแล้วก็รู้ทันใจใจเครียดขึ้นมาก็รู้ใจเป็นสุขก็รู้ใจเป็นทุกข์ก็รู้บริกรรมไปเรื่อยๆไม่ต้องไปบริกรรมความตายนะไม่ต้องไปพิจารณาความตายแ้าพิจารณาความตายเดี๋ยวเครียดเกินไปขอบพระคุณค่ะการบรรเมศกาลหลวงพ่อครับ อยากให้หลวงพ่อแนะนําครับว่าตอนนี้ปฏิบัติถูกทางหรือยังครับโอ้มีศีลดีขึ้นไหมครับถ้าดีขึ้นก็ถูกแล้วครับจิตใจอยู่กับตัวเองบ่อยขึ้นไหมบ่อยขึ้นครับก็ดีก็เราถูกทางครับเห็นไหมกายกับใจโค่นละอันครับได้แหละดีแล้วถูกทางเป๊ะๆเลยครับต่อไปก็รักษาศีนไว้นะแล้วก็ดูกายดูใจทํางานแบ่งเวลาปฏิบัติในรูปแบบทุกวันเท่านี้ก็เจริญแล้วล่ะครับตอนนี้ก็ทําทุกวันอยู่ดี อยู่ในชีวิตจริงก็คอยรู้ทันจิตใจของเราไปนะหรือดูจิตตอนไหนดูจิตไม่ได้ดูกายเห็นกายมันทำงานใจเป็นคนดนะูรักษาศีลฝึกในรูปแบบเจริญสติในชีวิตประจำวันทำอย่างนี้ได้ก็เจริญนั่นแหละกราบนบส ก, การหลวงพ่อค่ะมาส่งกันบ้านรอบหปีปฏิบัติมา6ปีกว่า เป็นคนโคราชค่ะลูกศิษย์หลวงพ่อพุธเหมือนกัน เ, เหรอเออลูกศิษย์ครูเดียวกันแล้วยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทําพูดคิดมีสติไหมตอนนี้เริ่มดีขึ้นค่ะถ้าอย่างนั้นก็สมเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อพุธน ะ, ะหลวงพ่อพุธเจอหน้าที่ไรก็พูดทุกทีจําได้ไหมยยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทําพูดคิดให้มีสติแต่พูดคนละสไตล์กับหลวงพ่อ แล้วทาไมบางครั้งมันวูบไปแล้วแบบเหมือนเราตกใจหรือว่าเจอนอนอยู่อย่างเงี้ยค่ะจะตกใจแรงกว่าปกติอะค่ะมันยังไม่ชํานาญเรื่องของสมาธินะเวลาจิตจะรวมเนี่ยไม่ชํานาญจะตกะใจเหมือนตกเหววูบลงไปใช่ค่ะพอชํานาญแล้วมันจะลงนิ่มๆเหมือนขัดขับเรือบินนะขับยังไม่ค่อยคล่องก็กระแทกพื้นตุมตามตุมตามไปหน่อยพอชํานาญแล้วก็ลงนิ่มๆแบบเดียวกันแหละ เพราะว่าไม่เคยปฏิบัติที่วัดไหนอะค่ะก็เลยกลัวว่าตัวเองทําไปแล้วมันจะผิดทางหรือเปล่าถ้ายืนเดินนั่งนอนกินดื่มทําพูดคิดรู้สึกตัวไม่เป็นไรหรอกอะไรยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทําพูดร่างกายใครเป็นคนรู้ใจเป็นคนรู้อะไรคิดใจเป็นคนคิดรวมความแล้วก็คือรู้กายรู้ใจเรื่อยๆไปแล้วจิตมันจะรวมเข้าพักเป็นระยะระยะก็เรื่องของจิตนะไม่ว่ามันหรอกให้มันพักไป แล้วที่มันรวมเป็นดวงใหญ่ๆตรงหน้า อ, อกที่มีความรู้สึกหรอคะต้องแก่อย่างไงคะไม่แก้หรอกรวมเพอย่าไปติดกับมันนะรวมแล้วมีความสุขก็รู้รวมแล้วราคาญก็รู้เป็นอะไรก็รู้อย่างที่มันเป็นแล้วตอนนี้ที่กายมันเบาๆว่างๆมันมีปีติอเราต้องเดินทางไหนดีคะดูกายดูจิตดูร่างกายนะดูร่างกายร่างกายนี้เบื้องต้นก็ดูไปไม่สวยไม่งามไม่ดีนะ มีแต่ความทุกข์บีบคั้นดูอย่างนี้ได้ได่อยๆแล้วใจเป็นคนดูแล้วอย่าไปเกลียดมันถ้าอางนั้นก็ดูถูกทางแล้วใช่ไหมดูไกลไว้น่าหนัดดีดแล้วมีข้อหนึ่งที่สงสัยมาตลอดค่ะที่สองปีเอ่อห้าปีที่แล้วที่มาส่งกันบ้านหลวงพ่อค่ะจะมีความรู้สึกเวลาบริกรรมหรือว่าทําสมาธิ ค, ค่ะจะมีสิ่งบางอย่างมาทักตลอดเวลาเดินไปไหนทาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ต้องยังไงดีคะหลวงพ่อให้รู้ทันใจของเราตกใจก็รู้สงสัยก็รู้ลำคาญก็รู้นะไม่สนใจแล้วที่มีความรู้สึกว่าเขามาด้วยตามไปด้วยะอะไรอย่างเงี้ยก็แผ่เมตตาแผ่ส่วนบุญไปนะมีคน<บ>เคย บ, บอกค่ะค่ะห <laughs> ลวงพ่อว่าเขาตามมาสองพันกวพีก <laughs> ็เลยกลัวโอ้ยอย่าไปกลัวอย่าไปเชื่อคนอื่นเขาสิ เรา <ทำ S 1> ยัางอายุ<ะ>ไม่กี่ปีเลยตามมาสองพันปีก็เลยไม่แน่ใจว่าจะยงงอย่างไปเชื่อเข า, เ ช, เ, ขาเชื่อเขาเล่าว่าเราอยู่กับปัจจุบันไป <c oughs> เขาอยากตามก็เรื่องของเขาไม่เกี่ยว <c oughs> แผ่ส่วนบุญแผ่ส่วนกุศลไปนะแล้วก็บอกว่าทางใครทางมันเราจะไปนิพพานแล้วไม่ต้องมาตามบอกไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวก็ไปกันแหละไม่ให้ยึดติดเลยใช่ใช่ไม่เอา ทวงเวลากันเสียเวลาเปล่าเอาปัจจุบันนะอดีตจบไปแล้วบอกเขาจบไปแล้วไปหาเขาใหม่แางนี้ก็เจอทุกเยอะค่ะแต่ได้ฟังซีดีหลวงพ่อแล้วก็ทําให้มีความสุขภาาระก็เยอะดูกายไปเรื่อยเห็นกายไม่ใช่ตัวเราบ่อยๆนะส่วนเรื่องผีนั้นก็บอกเขาต่างคนต่างไปเหอะ อุทิศ ส, ส่วนบุญให้เราจะภาวนาได้บุญเยอะๆหรือจะส่งให้ไม่ต้องมารอรับอย่างนี้นะบางคนไปเรียกผีมารับนะแล้วผีมาก็กลัวนะเป็นเอามากก็จะขำปฏิบัติบูชาเป็นสรณ ะ, ะ, ะต่อไปค่ะขอบคุณมากค่ะอย่าสนใจนะเรื่องอะไรที่เหนือโลกพวกนั้นอย่าสนใจนะสนใจในร่างกายของเรานี่ไว้แล้วปลอดภัย สาธุค่ะอ่ะพอสมควรนะเลยเวลาละเชิญ